ขอโอกาสเพื่อนจากธรรมิกที่เขารบทุกรูปเจริญปรอยมายังคุณแม่เจนเอาไว้ทำทุกท่านเรามาทำวัดร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมะธรรมชาติของกายของใจเราตกินตั้งแต่เช้า มันก็เห็นกายเห็นใจของเรารตานานูตามนา้ำทมขันหน้าผ่านความรู้สึกตัวกายประกอบ 4, ด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมสัมผัสได้น้ำน้ำลายน้ำตาเหงื่อใครความเหนียว ของเหลวดินดุนก้อนกระทบสัมผัสแข็งถาดลมลมหายใจเบื้องบนในช่องว่างลมเบื้องล่างไปก็คืออุณภูมิในตัวเราความอุน่นความเย็นเป็นธาตุสเป็นรูปธรรม ธาตุว่างเป็นเรื่องของจิตธาตรู้เป็นเรื่องของจิตใจนามธรรมแต่โดยส่วนใหญ่มันไม่มีการกำหนดรู้มันไม่ได้รู้อย่างเป็นธรรมชาติเกิดความเป็นเองที่เรียกว่าสติเต็มรอบมันจะเป็นธาตุหลงแล้วก็ไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจเรา ก็จว่ามีความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกขณนะที่ทาดกขันในแสดงตัวเองออกมาตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยเราก็ได้เห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้ก็คือพลังของชีวิตเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้แปลกอะไร ความไม่รู้ทำให้เรายึดมาเป็นก้อนทุกข์ความรู้รู้ไม่ถูกทำให้เรายึดเป็นก้อนทุกข์ขันไม่บริสุทธิ์รูปขันก็ไม่บริสุทธิ์เวทนาไม่บริสุทธิ์สัญญาไม่บริสุทธิ์สังขารไม่บริสุทธิ์วิญญาณไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความไม่บริสุทธิ์ ศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์ปัญญาไม่บริสุทธิ์ความลำเลสงสัยก็ไม่บริสุทธิ์ความลังเลติมเกิดทำให้เราไม่เห็นทางทางก็ไม่ชัดเจนไม่บริสุทธิ์จะเกิดลงที่หลงทางทำให้ไหล ไปสู่ความเสื่อมสู่ความทุกข์ไปสู่ความหมักหม ม, มนตินเครื่องเศร้ามองต่างๆก็เกิดปรากฏขึ้นมาเ่าจึงมีการทวนการแวกว่ายเข้าสู่ฝั่งของความไม่ทุกข์เหลียว่าฝั่งของพระนิพัน์เป็นความว่างจากความหมายความเป็นตัวตนต่างๆ ขณะปฏิบติตามก็จึงเริ่มต้นจากการเห็นกายไม่ใช่กูก่อนเห็นกายไม่ใช่ตัวไม่ใชตนเห็นธาตุสี่เป็นความบริสุทธิ์เห็นขันหเป็นความบริสุทธิ์ในความเห็นถูกเห็นแล้วไม่ยึดเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้ววางก็ต้องมีตัวปัญญาที่เกิดจาก ปัญญาบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ตัสติก็จึงความรู้สึกตัวว่าจึงต้องบริสุทธิ์เป็นความรู้สึกตัวซื่อๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆโดยไม่ต้องประคองมันรู้เฉยๆโดยไม่ต้องไหวมโนภาพแต่สัมผัสเป็นความบริสุทธิ์ตรงๆลงไปกายยะวิญญาณมโนวิญญาณอยู่ด้วยกันใจมีสติอยู่กับกาย มันก็เป็นความปกติเป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่มันตรงไปตรงมามันก็บอกความจริงทันทีกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจก็ทําด้วยกันนั่นก็มีแต่การตื่นรู้ตื่นรู้เดินผ่าน<ม>เลือนลําดับชั้นไปเรื่อยๆจากปุถุชน<ม>ก็เป็นกาลยาณนะปุถุชน จากกัลยาปุจนก็ยกสูงไปเรื่อยๆ เ, เป็นอริยชนมันก็เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือรูปเหนือนามมีสติแล้วเลอยู่มันก็มีเหมือนกันวับวบแบมแบมแกิจเป็นปกติไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องประคองความพอดีเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องประคองเกิดยานขึ้นมามันรู้ เรื่องราวต่างๆของสมมุติของประมัิก็ไม่ต้องประคองเพราะก็คือธรรมชาติที่มีการปลดปล่อยมีการปล่อยมีการวางมันก็สะดวกต่อการเดินทางความรู้สึกตัวก็พาคิดความรู้สึกตัวก็พาพูดความรู้สึกตัวก็พาทำก็เป็นการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปทางกายวาจาใจ มันก็มีอยู่ในตัวเราจริงๆเป็นศัจธรรมที่มันมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยประการ 2,600 ปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่รู้กายรู้ใจรู้รู ร, รู้นามความจริงก็ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกทั้งภายในมันก็เกี่ยวข้องได้ยอย่างถูกต้องหยิบมาใช้ตามหน้าที่ของแต่ละคณนะ เราก็จึงไม่ลังเลไม่สงสัยเพราทุกครั้งที่รู้สึกตัวใครรู้สึกตัวก็เป็นของของคนนั้นไม่เกี่ยวกับเชื้อชาศาสนาไม่เกี่ยวกับเพศกับไวัยไม่เกี่ยวกับจะนักถือศาสนาใดก็ตามทุกทุกชีวิตทุกเพราะความคิดอย่างเงี้ยพอเรามารู้สึกตัวที่ฐานกายรู้เท่ารู้ทานความคิด คามคิดก็กลายเป็นความรู้สึกตัวอารมณ์ต่างๆก็กลายเป็นความรู้สึกตัวความโกรธก็เป็นความรู้สึกตัวความสงสัยหลังเลความโลภความหลงก็เป็นความรู้สึกตัวการไปจะบาดก็เป็นความรู้สึกตัวบุญบาปเป็นความรู้สึกตัวจิตกุศลอกุศลก็เป็นความรู้สึกตัวมันก็เหนือไปอย่างนั้นมันก็จึงมีความรู้ที่มันรู้อยู่ารู้อยู่ มันจึงมีความรู้นะที่รู้แล้วก็ต้องปล่อยต้องวางให้เหมาะฐานฐานนะฐานกาลเทศะบุคคลจุ่มจนต่างๆมันก็เลยสะดวกอย่างนี้แหละความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวใหม่ๆแล้วฝึกในรูปแบบก่อนจุจังหวัมีการเดินจมกลมนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกตัวมันละเอียดขึ้นมันรู้ตากระ พ, พริบรู้ลมหายใจ มันเริรู้ทันอารมณ์ป ร, กรากฏการณ์อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็เริ่มรู้จากเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมันก็เดินไปตามทิศตามทางเป็นความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆขัน5้ามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาเพาว่ามันคือตัวชีวิตที่มันแสดงอาการออกมาเป็นความแนบแน่นของตัณหาอุปาทาน ตัณหาวั า, านจึเป็นเหตุนะที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัณหาวาทานก็จึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกรู้ถูกเห็นอะไรที่เรียกว่าตัณหาความพอใจความไม่พอใจนะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาบางทีเราไม่พอใจนะในธาตุขันบางทีเราก็เอามาเป็นความพอใจนะในธาตุขัน มันเป็นความทุกข์ตลอดเวลาเวลานั่งดีเราก็ทุกข์และ <c oughs> เปลี่ยนนิยบทเราก็ยังไม่พอใจอีกมันก็ทุกข์และวบางทีต้องกินต้องขับถ่ายกระทบร้อนกระทบหนาวอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องด้ว ป, ปัจจัย4 5่ห้หกเจ็ร่างกายของเราทุกกายกต้องบรรเทาแล้วก็บรรเทาให้มันมีการผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขให้กับมัน ต้องมีวัตถุหนึ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามยุ่งยุ่งยากอยากยุ่งกัดก็ต้องอามือไปตบเนี่ยปวดประชวาก็ต้องเข้าห้องน้ําปิดอุจจาระก็ต้องเข้าห้องน้ ำ, ต, นำต้องมีวัตถุหนึ่งสองสามใช้เวลาแต่จิตใจของเรามันง่ายมากทุกขพะความคิดเนี่ยตัดกลับมาทันทีเดี๋ยวนั้นเลยรู้สึกตัว ร, รู้เท่ารู้ทันแนวรมณ์ที่ปรากฏอยู่เป็นความรู้สึกที่ฐานกายเหมือนกัน รู้สึกตัวกายมันเป็นถ้ำเป็นกูหานะพอเราดูที่กายเห็นกายมีความรู้สึกตัวเวทนากเกิดกับกายเหมือนกันนะมนุษย์มีชีวิตนะและที่สำคัญก็คือมันมีท่ารู้อยู่มันรู้สึกได้เวทนาสุขทุกข์เกิดกับกายหนะรือว่าจิตเวลาคิดนะมันก็เก็นเนื้อสมองมันก็รู้สึกได้หรือบางทีเนะี่ยจิตมันเดินทางไปทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูสมองริ้นกายใจอย่างเงี้ย มันเป็นทวาวรเข้าออกเขาออกเขาออกแล้วก็เห็นการวาาไป ร, รู้สึกตัวได้เพราะฉะนั้นจิตก็อยู่กับกายเราดูที่กายก็เห็นจิตเหมือนกันพอดูจิตก็เห็นคิดจิตนี่มีหน้าที่คิดโดยตรงเลยเป็นทางเดินเป็นวาวรของเขาพอเราเห็นความคิดตั้งแต่หยากไปหาละเอียดหยับยาคืออะไรก็คิดล้อคิดกดคิดหลงนี่แหละะมันเป็นอาการที่หยากที่สุดตัวละเอียดคืออะไร ก็ความฟุ้งซ่านคิดและคิดน้อยมันก็ไม่ใช่ว่าคิดเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมากมายไม่ได้มีกําลังแต่ว่ามันคิดขึ้นมาได้เรื่อยๆเล็กๆน้อยๆเหมือนแมงบีมาตอมไม่ได้มีพิษสงอะไรไม่ได้กัดเจ็บอะไรเพียงแค่ก่อความรำคาญหน่อยอันนี้คือตัวฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นมาไปในจิตใจของเราก็คือตัวคิดละเอียดนิดคิดติดสุขติดดีวันนี้ละเอียดมันเป็นตัวละเอียดจริงๆ แต่เราไก็จะหลงเข้าไปจนกลายเป็นความเมื่อสีขาวอะไรเงี้ยมันก็เห็นนะเพราะว่าเราไม่ได้มีการประคองความพอดีต่างๆความเป็นกลางต่างๆเราไม่ได้ประคองเพราะการประคองทั้งหมดคืออารมณ์วิปัสสนูแม้ทั้งความรู้เราประคองนะมันไม่ใช่ที่สุดของเทคโนโลยีมันยังเดินก้าวหน้าไปอีกเรื่อยๆทันสมัยไปอีกเรื่อยๆวิธีคิดของมนุษย์มันจึงหยุดจบไม่เป็นแต่ว่าเราก็สามารถ ที่จะอยู่กับโลกได้โดยการรู้เท่ารู้ทานโลกสติก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะบอกความจริงกับเรามีการปล่อยมีการวางแต่ก็ไม่ได้ทิ้งมันก็รู้นะกาลเทศถฐานะอาถานะาานะมันจะรู้จริงๆรู้ว่าเออขณะนี้ทำอะไรกาลังเกิดขึ้นมาขณะนี้เลยที่นี่เลยชุมชนนี้ประกอบด้วยพิธีกรรมอะไร มันก็รู้เลยบุคคลนี้ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรเลือกครบตอนไหนไม่เลือกคบตอนไหนจะใช้อย่างไรมันจะรู้ของมันเว็จจดเส็จเนื่องจากเราก็รู้ตัวเราเองในอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเนี่ยเกิดจากความหลงที่เข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งมากมายมันก็คือสมมติบัญญัติของโลกใบนี้เราก็เห็นโลกจริงๆกายฟางสอบยาวานาคืบเป็นโรคสมมติและปรามาัดอยู่ในตัว จะมาเป็นความสุขเป็นความสุขความท anyway in nice. ุกข mm ์จะเป็นความดีแล้วก็เห็นความจริงก็ได้จะโลกทั้งใบที่มันมีเหตุปัจจัยซึ่งเราไปห้ามไม่ได้เหมือนกันเขาจะไหลไปตามวัฒนธรรมเพณนิจารีตโดยเฉพาะปี2 5 5พาเราก็จะเห็นการแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรมเกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าอาเซียนเปิดรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจะแข่งขันกับกลุ่มของยุโรป ก, กลุ่มต่างๆที่มีในโลกใบนี้นให้เกิดกำลังให้เกิดความ น, น่าเชื่อถือขึ้นมานเราใช้ทรัพยากรธรรชาติที่มีอยู่ในเอเชียต่อรองกั น, นซึ่งมห า, หาอำนาจเายา ม, มีวัตถุระเบิดต่างๆสร้างไปเกิดการลบพุ่งกันแต่ว่าคนนะ มันผลิตวัตถุผลิตอาวุธมามีความรุนแรงสูงสามารถทำลายหรือว่าล้างโลกได้ทั้งใบก็จึงใช้ปัญญาสงครามจิตวิทยาใช้คำพูดต่างๆใช้หลักกฎหมายกรอบต่างๆเป็นการทวงดุลกันต่อรองกันเราก็เห็นโอ้มันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติทำดีมันก็ดีทำชัวช่วกรชั่วเราก็มีปัญญาเอาตัวรอดกันไปเพราะฉะนั้นปัญญา มันก็ต้องปล่อยต้องวางเหมือนกันต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันขณะไอ้ตัวรู้สึกเนี่ยมันก็จะพาไปเองมันจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เบื้องต้นเลยแล้วก็เป็นทางกลางจริงๆว่าเป็นที่สุดจริงๆแล้วจะเกิดการแตกฉานขึ้นมาโดยไม่ต้องประคองเมื่อเกิดความเป็นเองขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องคิดไม่ต้องวาดฝันมโนภาพากันคืออะไรธรรมะธรรมชาติมันก็คือความจริงที่กาลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้า เกิดการเก็บข้อมูลวันแล้ววันเล่าไปยังไงเวลาปฏิบัติจะต้องง่วงเนี่ยก็เก็บข้อมูลกับการง่วงพอปฏิบัติไปเป็นยังไงมันปวดเมื่อยมันก็เก็บข้อมูลกับการปวดเมื่อยมันทํำยังไงเวลาคิดเมื่อเกิดการเห็นแล้วเห็นอีกรู้เท่ารู้ทันเกิดการปล่อยวางความคิดเก็บข้อมูลเวลามีคิดเกิดขึ้นมาไม่คิดมันก็มีเหมือนกันมาถูกรู้เท่ารู้ทันเมื่อมันไม่คิด มันจำเป็นจะต้องคิดมีหน้าที่ต้องคิดต้องพููต้องทํามันก็ต้องเจตนาเรียบเรียงเอาปัญญามาใช้สติปัฏฐานมันดีอย่างนี้ก็คือมันจะป้องกันเรานะไม่ให้ไหลตกไปสู่ความเสื่อมความทุกข์มันจะเป็นกระบวนการตรงข้ามวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นว่านธรประเพณีจารีตต่างๆนะความสุขสวยรวยดีอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมามีสติปัฏฐานมันจะดียังไง มันจะทำให้เราเนี่ยไม่เสียใจในภายหลังนะสิ่งที่ทําไปแล้วก็แล้วกันมันก็เกิดการอาโอโหสิกรรมขึ้นมาเกิดการให้อภัยตัวเองขึ้นมามันจะมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันไม่ใช่หมายถึงว่ามีเจตนาดีเจตนาชั่วนะมันไม่มีมันทําไปซื่อๆตามความซื่อๆมันมีก็มันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าร่างกายของเรามันเป็นก้อนทุกข์นะ มันก็เป็นก้อนทำแล้วก็รับวิบากแรงเป็นรูปธรรมแต่จิตเราไม่ต้องทุกข์เนี่ยอันนี้เราทําได้แน่นอนเหมือนโอกริมานโอกริมานนี่ฆ่าคนมาเยอะท้ายสุดเป็นพระละหันอย่างเงี้ยหรือว่าหลวงปู่เทียนเคยสอนอยู่คนหนึ่งขณะปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดผิดที่ได้ฆ่าคนมาสมัยก่อนอยู่ประเทศลาวมีคนเข้าไปฆ่า พ่อแม่ตายหมดเลยเสร็ hmm จแล้วตัวเองก็ทุกข์ใจมากนะก็เลยอาแาดแค้นไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครอบครัวตัวเองเนี่ยตายเรียบเลยเหมือนกันเสร็จแล้วก็หนีมาฝั่งไทยมาเจอกหลวงปู่เทียนก็หลวงปู่เทียนก็ให้เนี่ยนั่งสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยนะเคลื่อนมือรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกเดินตรงกรมรู้สึกให้ทาวเหนือรันน่ยปรากฏว่าเข้าใจธรรมะรู้ทันความคิดเห็นรูปเห็นนาม ขนาดทำเวรทํากรรมทําบาปมาปว่ากฏว่าเมื่อปฏิบัติทำบรรลุธรรมเหมือนกันอันนี้ก็โยงไปหาสมัยรุ่งการเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออเนาะคนเรานี่ช่วเจีท้ทีดีจิตหลคนมันเรวขนาดไหนแม้กระลักมันคนมันเรวขนาดไหนลึกๆจิตสำนึก็อยเป็นคนดีบัญญัติข้ามก็จึงน่ากลาบน่าไหว้หมดเลยคนในโลกนี้ทุกค น, นอีกอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อมเขียนก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเดินจงกรมอยู่ อยู่ๆมากราบหลวงพ่อขมเขีย น, นท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อครับผมจะสุดจะเพิ่งจะเพิ่งไปเดินจงกรมใหม่พอเดินกลับมาบอกหลวงพ่ออีกผมจะสุดหลวงพ่อก็เลยถามว่าจะสุดทําไมผมจะฆ่ามันผ ม, มอยากฆ่าผมเตรียม คิดไว้แล้วความคิดว่าจะไปอามอเตรไซ์จะไปปืนน้องพ่อบอกว่าไปดูให้ดีความคิดมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวขนายกมือให้รู้สึกตัวขนาดเดินให้รู้สึกตัวอยากเข้าไปอยู่ความคิดให้รู้ทันความคิดน้อพก็พูดแบบนี้แหละโทนแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็กลับไปเดินจงกรมตักพักใหญ่ๆมากราบ กาดซพอยู่ที่เท้าหลวงพอ่อร้องโ ห, ห่มร้องไห้โอ้ยหลวงพ่อครับผมเห็นแล้วความคิดของผมมันพาผมจะให้ไปฆ่าคนโอ้ยหลวงพ่อผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับความคิดท้ายสุดบวชไม่สึกเลยเราเพิ่งตายเมื่อสัประมาณสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมรณภาพไปพระรลวนี้พอเห็นความคิดแล้วปั๊บนะโอ้ยมันสงสารตัวเองสงสารคนอื่น ทิ้งทค่นี้สุดคือเราเองนะโอ้ผ่านมาได้ยังไงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านภัยต่างๆจนทั้งได้มาเจอความรู้สึกตัวเจอครูบาอาจารย์นะชยี้นำแล้วก็ลงมือทาประเทศไทยก็ยังดีงดงามเหลือเกินนะถึงจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะสภายะยังเต็มนะหมายถึงความสะดวก จะเป็นสิ่งแวดล้อมกับการปฏิบัติเสนาสนะที่พอดีอากาศที่พอดีคาพูดที่ฟังง่ายสบายเป็นจริงนะมีกรรยนานมิตรนะมีเครื่องุ่งหงยารักษาโรคต่างๆมันก็สะดวกที่จะทำให้เราเนะี่ยเหมือนกับว่าทุ่มเทลงไปนะทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของวัดป่าสุขตอมีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่าจะทําอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกตัวตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับมันขนาดนี้ก็ตามแล้ทั้งการฟังก็ยังเป็นความรู้สึกตัวหูกับเสียงกระทบกันเป็นความรู้สึกตัวเพราะว่าหูมันมีระบบประสาทเป็นกายยาญญาณเหมือนกันแต่ว่าไอ้ขนของเสียงที่มากระทบที่หูนะี่ยก็เรียกว่าจักรสุวิญญาณรับรู้ได้จิตมารับรู้ทางระบบประสาทหู มันก็กลายเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจหลังจากที่สติกขาว่องไวจะดังรู้เท่ารู้ทันความคิดการปรลงการแต่งได้ยินสปลว่าได้ยินเห็นแปลว่าเห็นเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวแม้ว่าเอ็นความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจมันเลยเป็นการใช้ชีวิตตามกลไกของเหตุปัจจัยตามหน้าที่เป็นพลังของการดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ต่อไป มันก็จึงเป็นจริงจริงๆนะความรู้สึกตัวโกโหกกันไม่ได้ถ้าใครมีความรู้สึกตัวแล้วนะมันก็เป็นของคนคนนั้นแหละมันก็ปลอดภัยชีวิตปลอดภัยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมถึงความสวัสดีในทุกสถานอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวสติมเป็นปริสุดโตเป็นความปริสุทดเหมาะแก่การงานต่างๆ ง, ง, งานมีมากมายตามหน้าที่ที่เราสมมุติไวแ้แต่ละคณะแต่ละคณะแต่ละคณะ ในหน่วยงานใ น, นแผนกหรือว่าในสังคมในครอบครัวต่างๆมันมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันมันก็จึงเป็นเรื่องของความสัมผัสสัมพันธ์ที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อไปอย่างเงี้ยนะก็จึงพูดให้ฟังนะจ้าเนี่เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ความเป็ิไปดีของเราทั้งหลายนั้นนะ หรือว่าที่เราได้มาพุทธปรมจันจรรของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ถึงสภาว่าของพระนิพพานโดยทั่วน้กการทุกท่านทุกคนนั้นเตอน